แปดกุกุละกะถาในมงเล็บ17ว่าด้วยเท่ารึง338 ส, ส, ส, ส, สักวาทีสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมปรวาทีใช่สักวาทีสุขเวทนาสุขทางกายสุขทางใจทิพยสุขสุขของมนุษย์สุขในลาบสุขในสการะ สุขในการไปสุขในการนอนสุขในการมีอำนาจสุขในความเป็นใหญ่สุขของกฤหัสสุขของสมณะสุขมีอาสวะสุขไม่มีอาสวะสุขมีอุปธิสุขไม่มีอุปธิสุขเจออามิต h สุขไม่เจืออามิต h สุขมีปีติสุขไม่มีปีติสุขในฌานสุขเกิดจากวิมุตสุขในกามสุขในเนกธรรมะ สุขันเกิดจากวิเวกสุขอันเกิดจากความสงบสุขอันเกิดจากความตรัสรู้มีอยู่มิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากสุขเวทนาสุขอันเกิดจากความตรัสรู้มีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดสกวาทีสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดใช่ไหมประวาที ใช่ส ก, กวาทีสังขารทั้งปวงเป็นทุกขเวทนาทุกทางกายทุกทางใจโสกะปริเทวะทุกโทมานตและอุปายาสะใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปราวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสังหารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จำกัดใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปราวาที พระสู่ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนก็อะไรเล่าชื่อว่าสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนภิกษุทั้งหลายจากักระเป็นของร้อนรูปเป็นของร้อนจกักระวิญญาณเป็นของร้อนจักระสัมผัสเ ป, เป็นของร้อนแม่ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่ใช่สุคมิใช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะจากักระสัมผัสเป็นปัจจัย ก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไรเรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติเพราะชาลาเพราะมรณะเพราะโศกะเพราะปริเทวะเพราะทุกข์เพราะโทมนัสเพราะอุปายาโสตะเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนคานะเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อน ชิวหาเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนโพธพะเป็นของร้อนมโนเป็นของร้อนธรรมารมเป็นของร้อนมโนวิญญาณเป็นของร้อนมโนสัมผัสเป็นของร้อนแม้ความเสวยอารมณ์ที่เป็นสุขหรือทุกข์หรือที่มิเช่สุขมิเช่ทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็เป็นของร้อนร้อนเพราะอะไร เรากล่าวว่าร้อนเพราะไฟคือราคะเพราะไฟคือโทสะเพราะไฟคือโมหะร้อนเพราะชาติเพราะชราเพราะมรณะเพราะโศกะเพราะปริเทวะเพราะทุกข์เพราะโทมานต์เพราะอุปายามีอยู่จริงมิเชฟหรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่ํากัดสกวาที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 เสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูสกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมกูก 4. ีรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นห้าปทภะที่พึงรู้แจ้งทางกายที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาให้กำนัดภิกษุนทั้งหลายกามกุลมีห้าประการนี้มีอยู่จริงไมเใช่หรือปรวาตีใช่ ส ก, กวาีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จากัดปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จากัดใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีพระสูที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพิสูตทั้งหลายเป็นรากของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อ ประพฤืชพรหมจันทร์เราเห็นนรกที่ว่าผัสสายตาณิกะหกขุมทรัพย์ในนรกหกขุม น, นั้นสัตว์ย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าปรารถนาไม่เห็นรูปที่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่ไม่น่าพอใจไม่เห็น รูปที่น่าพอใจฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งทางหูได้ดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งทางจมูกได้ลิ้มรสอย่า ง, ดางใองอางดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้ถูกต้องโพธิภพอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้รู้แจ้งธรรมารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้แต่รู้แจ้งได้เฉพาะธรมารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่รู้แจ้งธรรมารม์ที่น่าปรารถนารู้แจ้งได้เฉพาะธรมารมณ์ที่ไม่น่าใคร่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 สกวาตีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเป็นลาภของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายได้ดีแล้วที่เธอทั้งหลายได้ขณะเพื่อประพฤติพรหมจรรย์เราได้เห็นสวรรค์ชื่อว่าผัดสายตตนิกะหกชั้นแล้วในสวรรค์หกชั้นนั้นบุคคลย่อมเห็นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทางตาได้แต่เห็นได้เฉพาะรูปที่น่าปรารถนา ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าปรารถนาเห็นได้เฉพาะรูปที่น่าใคร่ไม่เห็นรูปที่ไม่น่าใคร่เห็นได้เฉพาะรูปที่น่าพอใจไม่เห็นรูปที่ไม่น่าพอใจฟังเสียงอย่างใดอย่างหนึ่งทางหูได้ดมกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งทางจมูกได้ริมลิอย่างใดอย่างหนึ่งทางลิ้นได้ถูกต้องโพธพภะอย่างใดอย่างหนึ่งทางกายได้รู้แจ้งธรรมอารมอย่างใดอย่างหนึ่งทางใจได้ แต่ร nah ู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าปรารถนาไม่รู้แจ้งธรรมารมที่ไม่น่าปรารถนารู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าใครไม่รู้แจ้งธรรมารมที่ไม่น่าใครรู้แจ้งได้เฉพาะธรรมารมณ์ที่น่าพอใจไม่รู้แจ้งธรรมารมที่ไม่น่าพอใจมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่ ศักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดใช่ไหมสกาวาทีใช่ประวาทีสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเป็นทุกข์สังขารทั้งปวงไม่เที่ยงวิเชิ่หรือสกวาทีใช่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 มีผลเร้าร้อนมีทุกเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาตีศีลอุโบสถภ um าวนาพรหมจรรย์มีผลไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่เป็นที่พึงพอใจมีผลเร่าร้อนมีทุกขเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีทานมีผลหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากทานมีผลหน้าปรารถนาหน้าใคร่หน้าพอใจมีผลเยือกเย็นมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดสกวาธีศีน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 สกวาตีสังขารทั้งปวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัดใช่ไหมปรวาตีใช่สกวาตีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าวิเวกเป็นความสุขของผู้สันโดษผู้มีธรรมปรากฏแล้วผู้เห็นอยู่ความไม่เบียดเบียนคือความสำรวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขในโลกความเป็นผู้ปราศจากราคะคือความล่วงกลามทั้งหลายได้เป็นสุขในโลก ความกําจัดอัตสมิมาณะได้เป็นสุขอย่างยิ่งสุขยิ่งกว่าสุขนั้นเราได้ถึงแล้วนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งวิชาสามเราได้บรรลุโดยลําดับแล้วนั่นแลเป็นสุขอย่างยิ่งมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่าสังขารทั้งพวงเป็นดุจเท่ารึงโดยไม่จํากัด กุละกะถาจบ 9. ก้าอนุปุพาพิสมัยกถาในวงเล็บ18ว่าโดยการบรรลุธรรมโดยลำดับ339มีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลเจริญโสดาปฏิมาคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีบุคคลเจริญโสดาปฏิรรรมักได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีบุคคลทำให้แจ้งโสดาปฏิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาธีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาธีใช่สกวาธีบุคคลเจริญสกทาคามี ม, รรม úng, ักได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกาวาทีบุคคลเจริญสกทาคามิมักได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีบุคคลทำให้แจ้งสกทาคามิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีบุคคลเจริญอนาคามิมักได้โดยลำดับใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเจริญอนาคามีมรดได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่ ส, ชสกวาทีบุคคลทําให้แจ้งอนาคามิผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที บุคคลเจริญอรหัตตมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลเจริญอรหัตตมรรคได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลทำให้แจ้งอรหัตตผลได้โดยลำดับใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยสี่สิบสกวาที บุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ปรวาทีและสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อลักิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันเมื่อลักิเลสได้หนึ่งในสส่วนไม่เป็นพระโสดาบัน เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันผู้สัตตกัตตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีประกอบด้วยความเลื่อมใส ที่ไม่วั่นไว้ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปติลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุกไทยด้วยการเห็นนิวรอด้วยการเห็นมร ประวาทีและส ก, กายทิฐิวิจิกิจฉาสีรพตปรามาและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสามนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนส ก, กวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระโสดาบันเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านจึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่ สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสส่วนไม่สัมผัสโสดาปฏิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสส่วนเป็นพระโสดาบันผู้สัตตคัตตุปรมะโกลังโกละเอกพีชีประกอบด้วยความเรื่อมใสที่ไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยชอบใจเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสส่วน ไม่ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น341สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งสกทาคามิผลละอะไรได้โดยการเห็นทุกปรวาทีละกามราคะพยาบาทอย่างหยาบและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาที เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระสกทาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระสกทาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสสกทาคามีผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสสกทาคามิผลด้วยกายอยู่ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาธีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทาให้แจ้งสกทาคามิผลและอะไรได้ด้วยการเห็นสมุทยัย้วยการเห็นนิโรธ้วยการเห็นมักประวาทีและกามราคะอย่างหยาบพยาบาทอย่างหยาบและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาธี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 342สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอนาคามิผลอะไรได้ด้วยการเห็นทุกข์ประวาทีละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลสที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลสทั้งสองนั้นได้หนึ่งในสส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสส่วนเป็นพระอนาคามี เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทำให้แจง้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมืม่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปารินิพพายี ผู้อุปหัจจปรินิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สสังขาระปรินิพพายีผู้อุดทังโสโตโอากานิทคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีผู้อุดทังโสโตโอากานิทคามีใช่ไหมประวาติไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สักวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอนาคามีผลอะไรได้ด้วยการเห็นสมูทยัยด้วยการเห็นนิโรธด้วยการเห็นมัคปราวาทีละกามราคะอย่างละเอียดพยาบาทอย่างละเอียดและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งสองนั้ น, ไ ด, น, น, นได้หนึ่งในสี่ส่วนสักวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสส่วนเป็นพระอนาคามี เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนท่านถึงได้บรรลุทาให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอนาคามิผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอนาคามีผู้อันตราปรินิพพายี ผู้อุปหจจปริณิพพายีผู้อสังขาระปรินิพพายีผู้สังขาระปรินิพพายีผู้อุดทังโสโตโอกนิธคามีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอนาคามีอุทังโสโตโอกนิธคามีใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส4 3บุคคล ผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งอรหัตตผลและอะไรได้โดยการเห็นทุกข์ปราวาทีละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทจฉาอวิชชาและกิเลส ท, ที่มีอยู่ในจิตดวงเดียวกันกับกิเลส ท, ทั้งห้านั้นได้หนึ่งในสี่ส่วนสกวาทีเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นพระอรหันต์เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่เป็นพระอรหันต์เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วน ท่านถึงได้บรรลุทําให้แจ้งเข้าถึงอยู่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นผู้ปราศจากปราคะโทสะโมหะทํากิจที่ควรทําเสร็จแล้วปรองภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเป็นเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพน้นเพราะสมุทชอบ ถอดลิ่มสลักกรบภูถอนเสาระเนียดได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดธงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกําหนดรู้ทุกขละสมุทยัยทําให้แจ้งนิโรธเจริญมักแล้วรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ละธรรมที่ควรล ะ, จะเจริญธรรมที่ควรจเจริญ ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งเมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งอรหัตผลละอะไรได้โดยการเห็นสมุตไทยด้วยการเห็นนิโรธ้วยการเห็นมรรคปรวาทีละรูปราคะอรูปราคะ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 สัมผัสอรหัตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนไม่สัมผัสอรหัตตผลด้วยกายอยู่เมื่อละกิเลสได้หนึ่งในสี่ส่วนเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำรรกิจที่ควรทําเสร็จแล้วลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ้นกิเลสเครื่องผูกสัตว์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นพระรู้ชอบถอดลิ่มสลัก กลบคูถอนเสาระเนียตได้แล้วไม่มีบานประตูเป็นพระอริยะปลดทงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วท่านกำหนดรู้ทุกละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วรู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ละธรรมที่ควรละเจริญธรรมที่ควรเจริญ ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งเมื่อละกิเลสได้หนึ่งใน4ี่ส่วนไม่ทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งใช่ไหมปรวาทีมิควรกล่าวอย่างนั้น 3. 4 4สกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิพันเมื่อเห็นทุก์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีรั้นเห็นทุกแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีรั้นเห็นนิโรธแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหม ปรวาทีไม like yani ่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเมื่อเห็นมักท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมักแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อเห็นทุกท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหม ปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเห็นมรรคท่านจ function, ึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมรรคแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีเมื่อเห็นสมุทัยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธแล้วท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทิบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งโสดาปฏิผลเมื่อเห็นทุกข์ท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกข์แล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปราวาทีใช่สกวาทีเมื่อเห็นมรรคท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นมรรคแล้ว ท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีเมื่อเห็นสมุทไยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธศัตร์แล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีเมื่อเห็นมรรคท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติ ครั้นเห็นมรกแล้วท่านไม่ยอมรับว่าขพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ปฏิบัติเพื่อทําให้แจ้งโสดาปฏิผลเมื่อเห็นทุกท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นทุกแล้วท่านไม่ยอมรับว่าขพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเห็นทุก ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเมื่อเห็นสมุทไยเมื่อเห็นนิโรธท่านจึงยอมรับว่าเป็นผู้ปฏิบัติครั้นเห็นนิโรธแล้วท่านไม่ยอมรับว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นผู้ตั้งอยู่ในผลใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีการเห็นนิโรธไม่มีประโยชน์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 345ประวาทีครั้นเห็นทุกแล้วก็เป็นอันเห็นสัจจะสี่ใช่ไหมักวาทีใช่ประวาทีทุกข์สัจเป็นสัจจะสี่ใช่ไหมจักวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นักวาทีครั้นเห็นรูปขันโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นขันห้าโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมประวาที ใช่สกวาทีรูปขันเป็นขันห้าใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีครั้นเห็นจักขายตนะโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นอายตนาสิบสองโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจักขายตนะเป็นอายตนาสิบสองใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาทีครั้นเห็นจักขู่ธาตุโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นธาตุติดแปดโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปราวาทีใช่ักวาทีจักขู่ธาตุเป็นธาตุติดแปดใช่ไหมปราวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีครั้นเห็นจักขุนสีโดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอันเห็นอินทรีย์22 โดยความเป็นสภาวะไม่เที่ยงใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีจะขุนสีเป็นอินทรีย์ยีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลย่อมทําให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยานสี่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโสดาปฏิผลมีสี่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ักวาธีบ mm ุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยานแดใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีโสดาปฏิผลมี8ดใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาธีบุคคลย่อมทำให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยาน1ิบสองใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาธีโสดาปฏิผลมี1ิบสองใช่ไหมปรวาที ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลย่ำทําให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยาน44ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีโสดาปฏิผลมี44ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกาวาทีบุคคลทําให้แจ้งโสดาปฏิผลด้วยยาน77ใช่ไหมปรวาทีใช่สกาวาทีโสดาปฏิผลมี77ใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น346ปรวาทีท่านไม่ ย, ยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลําดับใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายท ร, รมินัยมีการตึกษาไปโดยลําดับมีการบําเพ็ญไปโดยลําดับมีการปฏิบัติไปโดยลําดับ ไม่ใช่มีการบรรลุอรหัตผลโดยทันทีเหมือนมหาสมุทรต่ำลงไปโดยลำดับลาดลงไปโดยลำดับลึกลงไปโดยลำดับไม่ลึกชันดิ่งไปทันทีมีอยู่จริงมิใช่หรือสกวาทีใช่ประวาทีดังนั้นจึงมีการบรรลุธรรมโดยลำดับประวาที ท่านไม่ยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมส ก, กวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาพึงกำจัดมนทินของตนทีละน้อยทีละน้อ ย, ท, อยทุกขณะโดยลำดับเหมือนช่างทองกำจัดจนิมทองมีอยู่จริงมิเชื่หรือส ก, กวาทีใช่ ปรวาทีดังนั้นจึงมีการบรรลุธรรมโดยลำดับส ก, กวาทีท่านยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่ส ก, กวาทีพระสูตรที่ว่าท่านพระความปติเทวะกล่าวกับภิกษุทั้งหลายดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมได้สดับรับมาเฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคว่าภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดเห็นทุกผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขานิโรธบ้างเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขสมุทัยผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขานิโรธบ้างเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบ้างผู้ใดเห็นทุกขานิโรธผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบ้าง ผู้ใดเห็นทุกขณีโรธคามินีปฏิปทาผู้นั้นชื่อว่าเห็นทุกบ้างเห็นทุกขสมุทัยบ้างเห็นทุกขณีโรดบ้างมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามีการบรรลุ ธ, ธรรมโดยลำดับสกวาทีมีการบรรลุ ธ, ธรรมโดยลำดับใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พระสูตที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพร้อมกับการได้บรรลุโสดาปติมัคและเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทําอภิฐานหกมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่ักวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามีการบรรลุธรรมโดยลําดับักวาทีมีการบรรลุธรรมโดยลําดั บ, ร บ, รดดบใช่ไหมปรวาทีใช่ัสกวาที พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไปว่าภิกษุทั้งหลายในสมัยที่ธรรมจักสุที่ปราศจากทุรีปราศจากคนทินเกิดขึ้นแกอริยสาวกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาพร้อมกับการเกิดขึ้นแห่งโสดาปติมัคอริยสาวกย่อมละสังโยชน์ได้สามประการคือสกายทิฏฐิวิจิกิจฉา และสีลับพระตัปปารามาตมีอยู่จริงมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่ามีการบารรลุธรรมโดยลำดับอนุปปภาพิสมัยกถาจบ 10. โวหารกถาในวงเล็บสเ ก, กาว่าด้วยพระโวหาร347สสกวาที พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปร ว, กกรวาทีใช่สกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลกุตระไม่กระทบโสตะที่เป็นโลกิยะรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกุตระรับรู้ไม่ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะพระอริยสาวกรับรู้ได้แต่ปุถุชนรับรู้ไม่ได้ใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโวาหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลกิยะมิเช่หรือประวาทีใช่สกวาทีหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสตะที่เป็นโลกิยะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสกวาที พระโอหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยโลกิยะวิญญาณมิใช่หรือประวาราีใช่สกวาทีหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยโลกิยะวินญาณท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสกวาทีพระโวหารของพระผู้มี พ, พ, พ, พร ะ, ารพระภาค พ, พุทธเจ้าปุถุชนก็รับรู้ได้มิใช่หรือ ปรวาทีใช่สกวาทีหากพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าปุตุชนก็รับรู้ได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสามร้อยสี่กวาทีพระโอหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเป็นมัก ผลนิพพานโซดาปฏิมักโสดาปฏิผลสกทาคามิมักสกทาคามิผลอนาคามิมักอนาคามิผลอรหัตตมักอรหัตตผลสติปัฐานสมปทานอิทิบาทอินทรียภละโทษชงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีพระโอหานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีคนบางพวกที่จะฟังพระโอหานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีโลกุตรธรรมรับรู้ได้ด้วยโสตะกระทบที่โสตะมาสู่คลองแห่งโสตะใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกวาทีโลกุตรธรรมรับรู้ไม่ได้ด้วยโสตะไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะมิเช่หรือประวาตีใช่สกวาทีหากโลกุตรธรรมรู้ไม่ได้ด้วยโสตะไม่กระทบที่โสตะไม่มาสู่คลองแห่งโสตะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโอหานของพระผู้มีพระภาคกุตตเจ้าเป็นโลกุตระ สามร้อสกวาทีพระโอหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตตะใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีคนบางพวกที่จะพึงยินดีในพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีโลกุตตะธรรมเป็นที่ตั้งแห่งราคะเป็นที่ตั้งแห่งความยินดี เป็นที่ตั้งแห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห่งความเมาเป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดเป็นที่ตัง้งแห่งความลุ่มหลงใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตตรธรรมไม่เป็นที่ตัง someone, ้งแห่งราคะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัด ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงวิเชืหรือประวาทีใช่สกวาทีหากโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดีไม่เป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเมาไม่เป็นที่ตั้งแห่งความผูกมัดไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรุ่มหลงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระ สกวาธีพระโวหารของพระผู้มีพระภาพคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมประวาทีใช่สกวาธีคนบางพวกที่จะพึงขัดเคืองในพระโวหารของพระผู้มีพระภาพคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมประวาทีใช่ักวาธีโลกุตระธรรมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองเป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือนใจใช่ไหม ประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาตีโลกุตระธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือนใจมิใช่หรือประวาทีใช่สกวาติหากโลกุตระธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองไม่เป็นที่ตั้งแห่งความกระทบกระเทือนใจท่านก็ไม่ควรยอมรับว่า พระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีคนบางพวกที่จะพึงหลงในพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ามีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาตีโลกุตระธรรมที่เป็นที่ตั้งของโมหะทำความไม่รู้ ทำให้เป็นผู้ไม่มีจักสุเป็นที่ปิดกั้นแห่งปัญญาเป็นฝ่ายแห่งความคับแค้นไม่เป็นไปเพื่อนิพพานมิเชื่หรือปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะ <ao> ไม่ทำความไม่รู้ไม่ทำให้เป็นผู้ไม่มีจักสุเป็นที่เจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานมิเช่หรือปรวาทีใช่ ักวาทีหากโลกุตรธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะไม่ทำความไม่รู้ไม่ทำให้เป็นผู้ไม่มีจากสุเป็นที่เจริญแห่งปัญญาไม่เป็นฝ่ายแห่งความคับแค้นเป็นไปเพื่อนิพพานท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระสามร้อยห้าสิกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระใช่ไหม ปรวาทีใช่สกวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ชนเหล่านั้นทั้งหมดเจริญมักใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าอยู่ชนเหล่านั้นทั้งหมดเจริญมักใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาที พาและปุถุชนฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าอยู่ชื่อว่าเจริญมักใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีผู้ฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจน ถ, ถึงพระโลหิตห่อทำลายสงฆ์ให้แตกกันฟังพระโวหารของพระผู้มีพระภาค พ, พ, พุทธเจ้าอยู่ชื่อว่าเจริญมักใช่ไห ม, มประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 351หอประวาทีกองข้าวเปลือกก็ดีกองทองก็ดีใช้ไม้เท้าทองชี้บอกได้ใช่ไหมสกวาทีใช่ประวาทีอย่างนั้นเหมือนกันสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดีที่เป็นโลกุตระก็ดีพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยพระโวหารที่เป็นโลกุตระสกวาทีกองข้าวเปลือกก็ดี กองทองก็ดีใช้ไม้เท้าต้นละหงชี้บอกได้ใช่ไหมประวาธีใช่สกวาทีอย่างนั้นเหมือนกันสภาวธรรมที่เป็นโลกิยะก็ดีที่เป็นโลกุตระก็ดีพระผู้มีพระภาคตรัส ด, ด้วยพระโวหารที่เป็นโลกิยะ352สกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเมื่อตรัสโลกิยธรรมพระโวหารนั้นกระทบโสตะที่เป็นโลกียะเมื่อตรัสโลกุตระธรรมกระทบโสตะที่เป็นโลกุตระเมื่อตรัสโลกียธรรมชนทั้งหลายรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกียะเมื่อตรัสรู้โลกุตรธรรม รับรู้ได้โดยวิญญาณที่เป็นโลกุตระเมื่อตรัสโลกิยธรรมปุถุชนรับรู้ได้เมื่อตรัสโลกุตระธรรมระสาบกรับรู้ได้ใช่ไหมประวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นประวาทีท่านไม่ยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรรมก็เป็นโลกิยะเมื่อตรัสโลกุตระธรรมก็เป็นโลกุตระ ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระผู้มีพระภาคตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตรธรรมไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากพระผู้มีพระภาคตรัสทั้งโลกิยธรรมและโลกุตรธรร ม, มดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยธรร ม, มก็เป็นโลกิยะ เมื่อตรัสโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระสกวาทีพระโวหารของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเมื่อตรัสโลกิยาธรรมก็เป็นโลกิยะเมื่อตรัสโลกุตรธรรมก็เป็นโลกุตระใช่ไหมประวาทีใช่สกวาทีเม yes. ื่อตรัสมักก็เป็นมักเมื่อตรัสสภาวะธรรมที่ไม่ใช่มักก็เป็นสภาวะธรรมที่มิใช่มักเมื่อตรัสผลก็เป็นผล เมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่ผลก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่ผลเมื่อตรัสนิพพานก็เป็นนิพพานเมื่อตรัสสภาวธรรมที่มิใช่นิพพานก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่นิพพานเมื่อตรัสสังคตธรรมก็เป็นสังคตธรรมเมื่อตรัสอสังคตธรรมก็เป็นอสังคตธรรมเมื่อตรัสรูปก็เป็นรูปเมื่อตรัสสภาวธรรมที่มิใช่รูปก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่รูป เมื่อตรัสเวทนาก็เป็นเวทนาเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่เวทนาก็เป็นสภาวธรรมที่ไม่ใช่เวทนาเมื่อตรัสสัญญาก็เป็นสัญญาเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่สัญญาก็เป็นสภาวธรรมที่มีใช่สัญญาเมื่อตรัสสังขารก็เป็นสังขารเมื่อตรัสสภาวธรรมที่ไม่ใช่สังขารก็เป็นสภาวธรรมที่มีใช่สังขารเมื่อตรัสวิญญาณก็เป็นวิญญาณ เมื่อตรัสสภาวธรรมที่มิใช่วิญญาณก็เป็นสภาวธรรมที่มิใช่วิญญาณใช่ไหมประวาทิไม่ควรกล่าวอย่างนั้นโวหารกถาจบ